ตกลงเออพีุนีนะเออที่เขาบอกเออในประเทศไทยไม่ยอมรับทางประเทศยอมรับเลยนะสีลังกาหรืออะไรที่เขาบอกมีที่เออพี่สุนี้ที่เขามีสำนักอะไรของเขาน่อยออบางสายเขาว่ามันขาดหายไปแล้วจะต่อก็ไม่ได้เพราะคุณที่จะเอาความเสย้งเอาีสองฝ่ายตวจพรกันก็ ทำแฟนก่อนอะไรกี่ปีสองีสสองถา่าทำไมไมไม่บวชทไมไม่บวชให้ผู้หญิงทำอะไรทไมผู้หญิงไม่มีสิทธิ์บวชเล่าเป็นความไม่เท่าเทียมกันของสิทธิสีีชนเขาก็จะมีบอกอย่งนันจารย์ไม่้งคดเนี่ยอาจรย์ความคิดของผมคือ รอความเห็นอาจารย์นะจเรื่องยาวนะท่านดาวเนี่ยเฮยอาจารย์มีลายเยอะเลยครับประมาณสีนาทีนะคประมาณอีกหาสิบกิโลได้โยมก็อยากฟังด้วยอาจารย์อกว่าอาจารย์อาจารย์เคยตอบประเด็นนี้ก้เปหาฟังนี่เยอะๆเหมือันมี่ไหมจ๊มี ชุรู้ของอาจารย์จะมีมีใช่มตอยว่ามีเขาต้องไ ห, หาเอ้ยผมไหหม่นหาใช่ไหผมอาจจะรู้มาผิดหรือคัดเพื่อนอะคร<ช><ช>แต่อีกในนึงผมก็เข้าใจว่าเออมันเคยหายไแล้วลรูแล้วเดี๋ยวผมก็ทำกับย้อนไปว่าเขาถือเขาทาแปนของที่รูเจ้าบัญญัติไว้ก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะหมุนเรื่องถามว่าเราจะใช้จกรหมไนหว่าในปกติแล้วก็เขาหายสรุปก็ไม่รู้ว่าขายจริงหรือเปล่าหรือไปแอบซุกอยู่ตรงไหนว่าในรูปอยู่มุมไหนหรือเปล่าใช่ไหมครับเรื่ถามว่าเราก็ไม่รู้จริงว่ามีหรือไม่มีูจริง เงี้ยครับก็ปดู่ดูเอาเอาแล้วกันคำถามาไม่รู้เื่านั้นเลยเอาชัดๆคเดียวครับชัดๆคำเดียวว่าอาจารย์สามารถตอนนี้าจรย์ตอบไปแล้วในสาวเลยประวัติความเป็นมาทำไมเขาตังอยากเป็นพิดีเรดีก็ไม่รู้เลเพราะบอกวาไมสิทธิไม่เท่าเทียมกัน พระยังเป็นผู้ชายยังเป็นพระได้อะไรอย่างเงี้ยโดยโดยโดยโดยโดยสังคมนะครับที่เขาบ <ๆ S 1> อกกันว่าทําไมไม่ไม่รักษาวงมันมามาเกี่ยวดนพระทำไมอ่าถูกครับคุณก็รักษาคนนึงรักษาไม่ได้ก็ขาดใช่ไหมถ้ารักษาไม่ได้มันก็ขาดก็อย่างวงของพระเนี่ยถ้ารักษาไม่ได้วงของพระก็ขาด ไม่จะไปเชื่อมต่อกับมดกับปลวกได้ที่ไหนแล้วครับใช่ไหมครับถ้าคุณรักษาคุณไม่ได้เองคุณจะมาโวยวายอะไรมันผ้าถ้าพ้ารักษาวงตัวเองไม่ได้ครับแล้วต่อมาเฮ้ยกูอยากจะเป็นพ้าอีกวะอย่างเงี้ยไม่รู้จะไปบวดกับใครอ่ะครับไปบวดกับภิกษุนีได้ไหมก็ไม่ได้อีกเหมือนกันผู้หญิงจะมาบวดกับผ้าได้ไงครับผมผู้หญิงก็ต้องบวดกับภิกษุณีสิครับ ถ้าผมมาก็เหมือนกับสภาผู้แทนรัศดรกับวุฒิสภาครับใช่ไหมพิชซูนีต้องบวชกับพิกซูนีด้วยกันเองพระเหมือนวุฒิสภาแค่รับรองว่าเออบวชมาถูกต้องไหมถูกต้องก็รับรองแค่นั้นเองครับนี่พิกซูนีคุณขาดแล้วคุณจะมาเรียกร้องอะไรใช่ใช่สภาแล้วก็ใช่ไงหลเกณฑ์มันหลักเกณฑ์ตั้งแตเนี้ยจะมาเรียกร้องอะไรเรา มามึนทําไมวะกันเนี่แล้วจะมาอยากเป็นกันได้กันนะชจ๊ไหมเราก็มันกรณีกาบวชได้พิสูจนีสองที่นี้พวกพิสูจีสองมันหมดไปแล้วคุณจะมาบวชกับพิกษุนสองได้ไงพิกษุนสองจะทําไงพิกษุนีสงโดยข้อกติกาคุณต้องบวชกันมาก่อนเพราะเราไปสอบถามอันตรายยี่กระทำคุณไม่ได้นี่ใช่ใช่เช่นไปสอบถามว่า อวัยวะเพศคุณยังไงบอกพ้องหรือเปล่าอ๋อ ใ, ใช่ไหมมดลูกมีไหมจบเลยมันยุ่งเรื่องส่วนตัวอะไรเขาใช่ไหมครับผมไม่ถามเรื่องเรื่องเรื่องเพศเรื่องอวัยวะเรื่องคุณสมบัติของเขาครบไม่ครบอะไรตา่างเรื่องเลือดเรื่องตัวของเขาเนี่ยครับผมพาไปเที่ยวจ้นจ้านอะไรเขาครับคุณไปไปบวชกันมาไปรับรองกันมาพากระต่อยสอบถามว่าโอเครับรองถูกต้องแค่ไหมโอเคแค่นี้นะ เพระมีประเด็นแค่นี้เองพระไปยุ่งเกี่ยวหรือย่งยํามเขาไม่ได้ไมันวุ่วายทําไมสิทธิ์ผมก็มีสิทธิ์เท่าเดิมเลยแต่สิทธิคนที่จะบวชคนเน่ยใครอะใครมีสิทธิ์อะอภิกษุณีอภิกษุณีหายไปไหนอะขาดจะทำไงงีม้มัวุวายอะไรกับพระกูก็จะรักษาตัวกูเองก็ยแยกอยู่แล้วมันวุ่นวายอะไรกูนักหมาเดี๋ยวไอเงี้ยก็ใจยังไอพวกนี้ก็จะไม่บวชกันอยู่แล้วพวกพระเนี่ย โก็มากันเนี่ยเป็นเป็ดเป็นไก่กันอยู่เนี่ยยังไม่รอดยังไม่รู้เรื่องรู้ราวกันอยู่เนี่ยว่าเอาใจอ่คือนที่แสิ่ง่งกายแใจต้องงอไปก่อนจริงจริงแนะนไม่วีที่ว่าไมอ่ก็เลยสงสัยเอ๊ะทำไมไม่เอาตัวเองเป็นเนผ่าไปก่อนรูปแบบไม่แค่แล้วคจะเห็นล่ะ จะทํางั Simmons ้นได้ไงล่ะกระจายอ่ะถ้าง oh. ั้นก็เหมือนบอกเขาเขยังต้องการสิ่งที่คนมาถามอ้าไม่ต้องการจะขอทําไมล่ะมันก็ต้องการต้องการสัญลักษณ์ต้องการรูปแบบต้องการเกียรติยศชื่อเสียงต้องการการยอมรับต้องการเสียงสรรเสริญเยินยอใช่ไหมล่ะใช่แล้วก็ต้องการชื่อเดิมด้วยชื่อใหม่ก็ไม่เอาตั้งใหม่ได้ไหมไม่ใช่ไม่เอาจริงเป็นไปฉีก็ได้สัมเนียรี โมโรใหญ่อยู่แล้วนครับมึงก็ลงยากนั้นถึงบอกไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระมืมรนไม่ตอบเขาแบบนี้บอกว่ากูบวชให้มึงไม่ได้กูเพียงแค่รับรองมึงต้องบวชกันเองก่อนก็บอกตรงๆเนี้ยกูเป็นเหมือนวุฒธธิสภามึงเหมือนสภาไอ้ผู้แทนก็ไปคัดเลือกกฎหมายมาเมื่อพิจารณากฎหมายเสร็จแล้ววุฒธธิสภาก็มีหน้าที่รับรองเพื่อให้กฎหมายสมบูรณ์แบบแค่นี้เอง พามีหน้าที่กับพิกสุนีสองเมียแค่นี้ไม่ได้มีห น, น, น้าที่อย่างอื่นเป็นตัวตั้งตัวตีไม่ได้อย่าเสือกเ <laughs> <c oughs> ข้าใจไหมเงีเ้ยมันคนมันมันคนับไอนี่ครับแผนไงก็ใช่งไงครับแผนถ้าตอบอย่างนี้ซะ ก, กระชัดไงใช่ไหมล่ะ <c oughs> ตอบไม่เห็นต้องอะไรเลยอยากเป็นที่ตัวนี้ก็เป็นเลยสิ อ, <c oughs> อยากเป็นก็เป็นไปก่อนหัวบวชเองเป็นต้นโพหรือผมพาไปเลยเอว หรือต้นเะดวก็ได้ใช่ไหมล่ะบวชมะแต่ว่าฉันรับรองไม่ได้เพราะคุณเข้ามาไม่ถูกต้อง ค, คุณก็รับรองกันเองที่เยอะแยหมดนี่ใช่ไหมรัฐีตั้งกันเองอยากเป็นอะไรก็เขียนชื่อเอาใช่ไหมจะเป็นอะไรก็ได้ตั้งให้มันสวยหรูกว่าคำว่าพิกกุณีก็ได้ใช่ไหมอัคราคมหาพิกุณี้เอาไ้ตั้งเลยให้สุดยอดไปเลย ท่านยิ้มพอใจใช่มเคยร์เคตอบอย่างที่ชัดไหมเงี้ยมันอีเคียร์เคียร์แล้วการลืมว่าคนละบทคนละนาทีแล้วมัล้สลายไปแล้วแล้วมันต้องมาอย่างี้มันก็มันหายไปตั้งเป็นพันปีก็ยังไปฟื้นมาเงี้ยก็ขนาดของพระเนี่ยยกอายุธยายกที่มันหมดเนี่ยยังต้องไปนู่นน่ไปต่อมาจากศรีรังกาหนึ่งศรีรังกาบบดก็ยังต้องมาเชื่อมต่อจากไทยไทยครับแต่เนี่ยพิษณุณีมันหมดไปเชื่อมที่ไหนอ่ะ เถรวาทมันหมดก็เหลือแต่มหายานก็ไปบวชมหายานก็ได้ก็จบแล้วบอกมหายานก็ยัไม่เป็นจะเป็นเถรวาทนี่จะเป็นยังไงเออพูดไม่รู้เรื่องแล้วทำยังไงพวกนียังไม่รู้เรื่องเรื่อราวอีกเออจะเป็นพิจิตรีวิธีการนี้ก็เอาผู้ชายงามๆมาจัดบรรเลนโชว์ให้มันดูกันกําหนัดไหม ไม่ลอดอะไรมีเยอะเลยไม่ลมันเป็นบางอารมณ์ที่ผมดูหนึ่งมันเป็นบางอารมณ์สองมันเป็นบางกระแสส่วนสามมันก็อนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เพื่อนเพ่ปีนี้ปีที่แล้วมันเพิ่มาหลายปีแล้วมันแ่จะกระตุ้นอะไรนะกระตุ้นจะขึ้นมาก็ที่อยู่ศูนใหญ่ก็ที่นครศรีธรรมชาติเลยแค่ผสมมาโศไม่เป็นไรปล่อย ด เ, เดี๋ยวมันก็จะลอกกันเอมันเป็นเรื่องปกติผู้หญิงเป็นเรื่องปกดีไม่มีอะไรนิทานเป็นเรื่องปกติของเขาอไม่สงสัยแล้ววาทำไมพิษุณีต้องมีศีลด้วยกับร่างแล้วทาไมต้องให้พิษุนีบวชหนึ่งอยพรรษาแล้วก็แต่งงกลับมาวันเดียวเยข้าใจนะ้ต้องมีศีล้องกลับไว้เยอะขนาดนี้เพ อ, อะไรไรู้อะไรโดยนิสยัย อย่างนี้พิษุณีเนี่ยอในประเทศไทยถือว่าไม่ไม่ยอมรับแล้วหมายถึงว่าพิสูจน์เนี่ยควรควรจะศึกษาสิ่ของพิสุณีไวไหมจ้ะหรือว่าไม่ต้องศึกษาที่ไม่ศึกษาได้ไงมันเป็นข้อศึกษาเป็นข้อเจ้าการเรียนรู้คระวัติศาสตทั้งหมดต้องเรียนรู้ข้อมูลทั้งหมดของพุทธเจ้าต้องเรียนรู้ถ้าไม่เรียนรู้กับมืนดีเนี่ยอย่างที่ท่านเป็นอยู่เนี่ยมันจะมาขอบวชอย่างเงี้ยโอ้ทาไมไม่บวชให้มันเนาะ พระใจร้ายได้เกินวะงั้นเนี่ยไม่เรียนไงก็เรียนรู้อ๋อไม่จะทําไงวะพระเราไม่สามารถบวชให้เขาได้รับรองได้ต้องรับรองที่เขามาถูกต้องแล้วใช่ไหมก็ต้องถามก็รับรองจากใครใครเป็นคนรับรองคุณภิกษุมีคณะไหนคณะนี้มาอย่างไงอาโซมาทีมามามาพูดให้พระฟังหน่อยที่พูดฟังไม่ได้ไม่ได้ไไดพระรับรองไงโอรับรองไม่ได้ อาจารย์คุตอบปัญหาไงปัญหาไปพันกว่าปีแล้วตอบไม่ได้อีกเอาเอามาจากจีนจีนเป็นหม้ายานเทราวาสไม่เคยมีทาําไงไม่ใช่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ไม่ญี่ปุ่นเอา้าหมหายา น, านก็เป็นหมหายานไปก่อนก็แล้วกันโยมนไม่เป็นไรหรอกไอ้เป็นกับครับว่าทําอะไรสําคัญกว่ากันเนี่ยทำครับเอามืออยากจะเป็นแค่นู้นอยากจะเป็นอยากจะเอายี่ห้อทําดีกว่าไหมใช่ไหม ป ร, ประเด็นก็คือเอาละสิขาบทสามร้อยสิบเอ็ดสิขาบทสิขาบทเนี่ยทําได้ไหมออบอกทําไม่ได้แต่อยากจะเป็น เ, ออเออนี่ยนี่ยยิ่ไปใหญ่แล้วจะซากไปเห็นไหม <Okay. S 2> เอออยากอยากจะเป็นแต่ไม่อยากทออําพราะจะทําทําไม่ได้อีกออ ไ, ไปเจอไปเจอทะลุทำแปดประการเคนี้ไปไม่เป็นแล้วทําไม่ได้แล้วจบตรง น, นั้นแต่อยากจะเป็นอีกอ้าวตายห่านแล้ว<อ>แค่ทํายังทําไม่ได้ยังอยากจะเป็นอีก ในพุทธศาสตร์หนาจะให้ความต้องการคำว่าทำมากกวเป็นใช่ไหมละ่ะเป็นพระเงี้ยแต่เอาฝึกในศีลไหมไม่เอาแต่อยากจะเป็นบวชแล้วจบแล้วไม่ทําอะไรต่อแล้วไอ้นี่บ้าใหญ่เลยตอนนี้ยไม่ยอมเลยแล้วเด็ดโยกับวัดนี่ยนะวัดสอนไงกูก็ทํางั้นเนี่ยอาจารย์สอนไงกูก็ทำงั้นแหละแต่พระเจ้าสอนไงกูไม่ทําไอ้นี่นชอบโกเงี้ยลองปฏิโมกข์ลองคนละสิ่งเงี้ย อย่างเงี้ยบ้าขัดแย้งคําสอนไงธรรมนาเชื้อสายศัจญาบุตรพุทธเจตนุพุทธจิโนโรทาไมปฏิบัติไปยเสกคําสอนพุทธเจา้าเ่ะนี่ก็ผิดแล้วอ น, นี้ก็เรียกว่าอยากเป็นแต่ไม่อยากทําำไปให้ความสําคัญคำว่าเป็นมากกว่าทำไม่รู้ความหมายเป็นวิธีการสําคัญกว่าเห็นไหมว่าจริงจมันเป็นอย่างเงี้ยเจาะไปจริงๆก็ไปไม่เป็น ถ pair, allowed, hands, anything, ้าไม่เจาถ้าเป็นมึนๆโง่ๆได้อยากเป็นอะไรอย่เป็นเป็นั้นเป็นั้นจะถบวนารก็คือเราต้องศึกษาบริษัทสี่ท้งสี่ให้ให้ก็คสอนทั้งหมดก็ต้องเรียนรู้ถ้าไม่รู้อ็มันก็ตอบไม่ดูครับบางทีเขาถามอะไรมาเราก็ไม่รู้เรื่องอีกใช่ไหมครับแล้วคำพูดที่ควรคาถามที่ควรถามหรือเปล่าไม่ควรถามเาเปล่านักตั้งคำถามผิดนี่ไปตอบไงวะใช่ไหม คำถามก็ตั้งผิดแล้วครับอกว่าผู้หญิงมีสิทธิ์บวชภิกษุนีได้หรือเปล่าไม่ตั้งอย่างนี้นี่ก็ผิดแล้วคําถามอมันมีสิทธิ์ยังไงก็มีมีสิทธิ์อย่างเหมือนเดิมเลยประเด็นใครมีสิทธิ์บวชให้เขาภิกษุณีใครมีสิทธิ์รับรองเขาพระรับรองรับรองไม่ใช่วูครับเพียงว่าเออโอเค แค่ว่ามีคุณสมบัติครบหรือเปล่าอ่าครบหรือเปล่าคนที่ไปสอบถามไม่เปิดดูหมดแล้วบอกครบโอเคกูเชื่อคุณมัน่ัมไม่โกหกเข้าใจยังทำครับสมัยพุทธการก่อจะได้บวชนี้ไม่ให่น้อยนะก่อจะทำก่าจะรับรองได้เรื่องก็มีกฎเกณฑ์กติกาอยู่คนก็ทาตามนั้นพิษุนีคก็ดูกเลงระอันเองพิษสุนสองปที่ปรึกษาให้แค่นั้นเด็กมันมันชัดเจนอยู่ในพระด์รงนี้ใช่ อ ไ, ไอ้ที่ถ้าไม่อ่านคุยกันยากเนี่ย่ะมะัเนเองไงอ่านมันไม่ครบเนี้ยมันคุยยากเลย ไ, ไดไ้รู้กับไม่รู้เนี่ยถ้าไม่รู้เนี่ยมันแหมนจะคุยยังไงวะมันีคนนึงเห็นเปรตอีกคนนึงไม่คยเห็นเลยจะคุยกันยัง ไ, เเเเไงเนะไปอีกเรื่องลนะเอาเรื่องนี้ก่อนเดียว ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถตาเห็นก็เห็นเนี่ยรู้ต่อรู้คุยกันมันโอเคมันสนุกเวลาไปคุยกับคนไม่รู้ฉันต้องที่เกลียดเลยนะโอ้โ ห, หมันบอกว่าเกิดมาไอ้เจ้บ้านนี้ไม่เคยเห็นเป็ดอีกคนนึงเห็นเป็ดโอ้โหมุจะว่าไงเว้ยเนี่ยก็เหมือนคนตาบอดใช่ไหดวงอาทิตย์กับใครให้มึงเคยเห็นไก่ไหมวะไม่รู้อ่ะ ไอเจียย๊ยบหอย้ยเฮ้ยนกว่าไม่รู้อีกว่้ อ, อแล้วมึงเคยเห็นห่านไหมไม่เคยเงั้นนะนเ อ, อ๊ะนเป็ด น, นี่มันมีสองขาเนี่ยมันลงน้ําได้มันขึ้นบกก็ได้ไอเจี๊ี่งงเกิดตนนั้งทั้งปีไม่รู้เลยนักข้าวนักขวบอกวะเป็นไปไม่ได้ไอบ้านี่มองเป็นไปไม่ได้กูุกูไม่เคยเห็นโคตรคุยยากเลยนะเหมืนปลาเห็นดวงอาทิตย์ ีเจะบอกรู้แต่รู้ยังไงยังไงถ้าจะศึกษาจะคุยธรรมะก็ให้อ่านมาบ้างนี่เรื่องไม่อ่านอะไรมาเลยเนี่ยโอ้โหคุยก็ไม่สนุกไอ้คนฟังก็ไม่สนุกคนพูดก็ไม่สนุกโดนดนครับโดนดอกนี้โดนครับดอกนี้โดนแล้ว วันนี้ห้าหกเราัพพุดนะครับนไม่จะคุยยังไงใช่ไหมเฉยๆมันอยากรู้อะไรปล่อยมันม่ไอยากพูดอะไรก็ปล่อยมามไปถ้ามันคุยกับคนไม่รู้ลำบากนะคุยกัคนไม่รู้เนี่ยลาบากมากาเรื่องเพ่เรื่องเศยมถามไปมเอ๋อคืออันนี้ไม่ไม่ใช่เพดคือผมไม่ได้ถาม อาถามมนาทีาเือีอ้ ง, ง่ประมาณสินาทีครับ